ใครไม่เคยมาบ้างไหมมีกี่คนยังไม่เคยมามีไหมฝึกกันมาแบบไหนเคยทำกรรมฐานมาแบบไหนกันอา่ทท า, าทำสมถะสมาธิอะค่ะทำมาจากไหนใครสอนให้อาจารย์จากเรือนทำนะคะชมหลวงก้าวธรรอาจารย์วิชาอาจารย์เบียนาน่ะคะ่ะอาจารย์วิชาก็ <S 1> <S 1> <S 1> <S ดีแล้วอาจารย์วิชาสอนต่อไป ในทางนี้ล่ะเคยฝึกกันแบบไหนก็หัดดูลมแล้วก็พยายามดูความรู้สึกภายในของจิตนะคะ่ะพระอาจารย์กศิษย์าจารวิชาทั้งหมดเลยทัยกงคนเลยฝึกมาจากไหนล่ะพระอาจารย์สำราญที่วัดป่าหลวงพ่อกล้วยค่ะวัดป่าตามอุทยานค่ะวัดหลวงพ่อกล้วยค่ะก็ดีแล้วมีใครฝึกมาสํานักต่างจากนี้ไหมฝึกอะไรมาข<ม>องยุบ นี่แหละอะไรนะอานจากหนังสือเหลอไม่มีอาจารย์เลยเหรออ๋ <c oughs> อดีเหมือนกันบางคนชอบอ้างนะเป็นลูกศิษย์อาจารย์โน้น อ, อาจารย์นี้ลมมองหน้านะไม่ใช่อะ่ะ <c oughs> <c oughs> ทําอาจารย์เสียชื่อดีนี้ดีคือฝ <c oughs> <c oughs> ึกแนวไหนก็ได้นะเบื้องต้นอนะ่ะเอาสักอย่างหนึ่งกรรมาฐานเราต้อง แต่ก่อนจะฝึกเราต้องรู้ก่อนเราจะทำไปเพื่ออะไรกรรมฐานมันมีสองงานอันนึงคือสมถ า, ากรรมฐานอันนึงคือวิปัสสนากรรมฐานสมถ า, ากรรมฐานเนี่ยเป็นการน้อมใจให้ไปอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องทำไปเพื่อให้เกิดความสุขความสงบความดีทำไปแล้วได้ความสุขได้ความสงบได้ความดีในเรื่องของสมถะส่วนวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้เอาสุขเอาสง บ, เ อ, สงบเอาดี วิปัสสนากรรมฐานเรียนเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจถ้าเราเข้าใจความจริงของกายของใจเชจนวันใดหมดความยึดถือในกายในใจจิตจะหลุดพ้นออกจากกองทุกข์เพราะกายกับใจนี้คือกองทุกข์ล้วนๆเลยงั้นสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยเป้าหมายไม่เหมือนกันอันหนึ่งมุ่งไปหาความสุขความสงบความดีอย่างจิตใจเราฟุ้งซ่านเนี่ย เรามาหายใจเข้าหายใจออกมากำหนดท้องพองยุบนะมาพุทธโทอะไรก็ได้ให้ใจไปอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องสบายๆายจิตใจอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างสบายๆแล้วจิตจะสงบหายฟุ้งซ่านนะจิตใจไม่มีความสุขเลยนะก็มาน้อมใจให้มาอยู่ในอารมณ์เดียวที่สบายๆเดี๋ยวจิตใจก็มีความสุขจิตใจไม่ดีมีกิเลสเช่นมีความโกรธเกิดขึ้น เรามาพุโทโธพุทโธ โ, รโกรธเนาะโกรธเนอนะหรือมันเจริญเมตตาอะไรเงี้ยความโกรธก็ดับไปในจิตอกุศลดับไปกับจิตที่สบายเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาหรือมีความโลภมีราคาเกิดขึ้นนะพิจารณ า, าสุภาษณนะ์เป็นหลงรักสาวก็จะเอาสาวมาพิจารณานะหรือพิจารณาตัวเองเป็นปฏิคูลเป็นสุภานะราคาก็สงบลงไปจิตสงบจากจากิเลส นันสมถะเนี่ยทำไปเพื่อความสุขเพื่อความสงบเพื่อความดีแต่บรรดาความสุขความสงบความดมีเป็นของชั่วคราวในโลกนี้ไม่มีความสุขถาวรไม่มีความสงบถาวรไม่มีความดีถาวรในโลกนี้นั้นสมถะเนี่ยมันเหมือนอยาแก้ปวดนะกินเข้าไปแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าชาั่วครั้งชั่วคราวถามว่ามีประโยชน์ไหมมีมีประโยชน์อย่างพวกเรา จะรักษาโรคอย่างเดียวเกิดไม่มียาแก้ปวดนี่แย่นะอย่างคนเป็นมะเร็งให้มอร์ฟีนให้อะไรมันก็จําเป็นมีประโยชน์แต่ถ้ารับมอร์ฟีนไปเรื่อยๆก็ติดมอร์ฟีนใช่ไหมเหมือนสมถะนะทําเรื่อยๆติดนะก็ติดอกติดใจในความสุขในความสงบในความดีแล้วชีวิตก็จะวนเวียนอยู่แค่เนี้ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวสงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวดีได้ก็ยังชั่วได้อีก อย่างคนเข้าวัดไปภาวนาแล้วถ้าไปทําแต่สมถะเนี่ยออกจากวัดนะ่จะชั่วร้ายกว่าเก่านะยังอยู่ในวัดเก็บกดมากบังคับใจให้สุภาพเรียบร้อยออกจากวัดนี่ร้ายกว่าเก่ากิเลสนี่คิดดอกเบีย้ยด้วยหลวงพ่อเคยเจอนะตอนนั้นภาวนาอยู่กับพี่ไวยเงี่ยพวกคุณหญิงคุณนายชอบไปภาวนาที่หินมะเป้งทำไหมหลวงปู่เทสยังอยู่ื่อคนเอาคนใช้ไปด้วย เราก็ไปคุยกับคนใช้เขาน่ะไปวัดนะ่ะคนตู้เย็นไปก็มีนะเอคนเตาแกส๊สคนตู้เย็นไปด้วยมีรถบรรทุกตามไปมีเครื่องครัวมีคนใช้ไปพร้อมเลยหลวงปู่ท่านใจดีท่านไม่ว่าอะไรท่านรู้สึกได้แค่นี้ก็ดีถมไปแล้วคนใช้แอมนินทาเจ้าไหนตอนเจ้านายมัวไปภาวนาคนใช้ว่างงานภาวนาไม่เป็นไปคุยคุยด้วยบอกโอ้ยคุณหญิงอะ่ะ อยู่วัดนี่เรียบร้อยนะแต่อยู่บ้านท่านตาเป็นไฟเลยนะนี่นเก็บกดเนะนื้อสมถะเนี่ยทําไว้นะตอนที่ทําอยู่ก็เป็นคนดีหรอกพอหมดแรงเก็บกดนี่มันร้ายยิ่งกว่าเก่าอีกนะร้ายเครียดมานานแล้วนะเก็บกดสรุปแล้วก็คือสมถะเนี่ยทไปน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์ันเดียวที่สบายจิตใจได้ความสุขความสงบกได้ความดี ช่วครั้งช่วคราวมีคำว่าช่วยครั้งช่วยคราวมีกรรมฐานอันหนึ่งเรียกว่ามิปัสสนามิปัสสนาไม่ได้มุง ח, ่งเอาสุขเอาสงบเอาดีแต่มุ่งเอาความจริงเรียนเพื่อให้เห็นความจริงของชีวิตนี่เองเรียนถ้าเรียนสําเร็จแล้วเราจะพ้นทุกข์ความทุกข์มันอยู่ที่กายความทุกข์มันอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นมิปัสสนาเป็นเรื่องการมาเรียนรู้กายรู้ใจตัวเองมิปัสสนาจะไม่เกินกายเกินใจตัวเองออกไปนะ ต้องมารู้กายมารู้ใจตัวเองดูซิความทุกข์มันเกิดขึ้นในกายได้ยังไงความทุกข์มันเกิดขึ้นในใจได้ยังไงมาคอยเรียนรู้มันถ้าเรียนรู้จนเข้าใจความจริงแล้วแต่ไปความทุกข์มันจะไม่กล่อมกลายเข้ามาสู่จิตใจความทุกข์ยังระรานอยู่ได้ร่างกายได้นะแต่จะไม่เข้ามาถึงจิตใจเราปิตใจอยพ้นจากความทุกข์ร่างกายไม่พ้นหรอกร่างกายยังไงก็ต้องทุกข์ถ้าอยากไม่ทุกข์ก็ฝึกสมถะนะเจ็บไข้ได้ป่วยเพ่งเงาเพ่งเงาพอเกิดปีติขึ้นมา ก็ระงับทุกขเวทนาได้บ้างเป็นครั้งคราวเวลาหมดแรงเพ่งนะไม่ไม่ระงับนะระงับไม่อยู่วิปัสนานี่มาเรียนรู้ไปอ๋อทุกข์มันเกิดจากใจของเรานี่เองดิ้นรนแสบสายไปใจของเราดิ้นรนทั้งวันพวกเราดูออกไหมใจเราทํางานทั้งวันทั้งคืนวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยววิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปคิดเดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลง ดูใจของเราเข้าไปเห็นมันทํางานทั้งวันทั้งคืนนะไม่เคยหยุดพักเลยจิตใจที่มันต้องทํางานทั้งวันทั้งคืนนี่มันหาความสุขไม่ได้ไม่มีความสุขไม่มีความสงบเลยทําไมมันต้องแสบใสต้องดิ้นรนตลอดเวลาะเพราะมันโง่มันวิ่งทําอะไรมันวิ่งหาความสุขแต่มันไม่รู้หรอกว่ายิ่งวิ่งยิ่งทุกข์นะมันอยากได้ความสุขนะแต่มันโง่มันตะเกียกตะกายใหญ่เหมือนคนในโลกนะอยากหาความสุขทุกคนเลย บางคนก็ไปเปียรแชร์มาใช่ไหมมีความสุขใช่ไหมแล้วมีความทุกขตามหลังมาอีกนานเลยนะอยากได้ของนี้ไปซื้อมาอยากได้รถแพงๆไปซื้อมานะหวังว่าจะมีความสุขเนะี่ยความทุกขตามมาอีกยาวเลยนะอยากมีเมียสักคนหนึ่งสวยๆนะได้มาแล้วมันสวยแต่เดียวๆนะเดี๋ยวผู้หญิงอื่นมันสวยปล่อยละนะความสุขมันแต่เดียวๆเนี่ยคนในโลกอยากได้ความสุขนะตะกายหาทั้งชีวิตเลยตะกายไปเรื่อยเลย หาไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าความสุขนี่ยิงอาศัยสิ่งภายนอกตลอดแล้วสิ่งภายนอกนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่เคยหยุดนิ่งนี่อย่างเราชอบสาวคนนี้เพราะเขาสวยใช่ไหความสวยของเขาไม่หยุดนิ่งความสวยของเขาเปลี่ยนไปแมยใจเราก็หมดความสุกอีกละนั้นสิ่งภายนอกที่เราไปยิงอาศัยนี่นะมันยิงอาศัยไม่ได้จริงมันเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลย นี่บางคนก็ฉลาดขึ้นหน่อยรู้สึกว่าอิงอาศัยสิ่งภายนอกไม่ได้มารักษาจิตรักษาใจเอาไว้คิดว่าถ้ารักษาจิตใจเอาไว้ได้แล้วมีความสุขจิตใจของเราสงบนะคนมาดา่าจิตใจเราสงบเราก็มีความสุขนี่คนมาชมใจเราสงบเราก็มีความสุขคิดว่ารักษาใจไว้ได้เราจะมีความสุขพวกนักกรรมฐานทั้งหลายพวกเข้าวัดทั้งหลายเาจะมาติดอยู่ในข้อนี้ไปติดดีติดสุขติดสงบ พยายามรักษาจิตใจให้สุขให้สงบให้ดีหวังว่าจะมีความสุขถ้าฝึกไปมากๆจะรู้อีกนะจิตใจก็เป็นของรักษาไม่ได้จริงจิตใจก็เป็นอนัตตาเช่นเดียวกับสิ่งภายนอกนั่นแหละไม่ใช่มีอะไรที่รักษาไว้ได้จริงทีแรกยิงอาศัยสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้ยิงอาศัยไม่ได้จริงแล้วอุตสาห์มาอาศัยใจตัวเองมาทําความสงบมาพุโทโธมากําหนดพองยุคนะ มายกเท้าย่างท้ามาทํากรรมฐานสารพัดเลยหวังว่าจิตใจมันจะดีจิตใจเองก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันดีได้ก็ยังชั่วได้อีกสุขได้ก็ยังทุกข์ได้อีกเห็นไหมหนีไม่พ้นความแปรปรวนนั่นเองนี้บางคนก็ฉลาดกว่านี้อีกเห็นว่ายังกระทบอารมณ์นะไม่สบายจริงถ้าหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์ได้จะมีความสุขบางคนคิดว่าไม่ต้องกระทบอารมณ์เลยเรียว่านิพพานนิพพานเคยมีคนน่าเาหนังสือ สำหรับตำลามาให้หลวงพ่อดูมีอยู่สำนักหนึ่งสอนเลยให้ฝึกกำหนดไปเรื่อยพอตาเหตุรูปให้กำหนดไว้มากๆนะร่างกายเคลื่อนไหวกำหนดไว้มากๆนะกำหนดไปเพื่อตัดเวทนาคิดว่าพอเวทนาดับเนี่ยตันหาจะดับตันหาดับนะอุปาทานจะดับอุปาทานดับภพบจะดับชาติจะดับทุกข์จะดับคิดว่าจะตัดวงว ง, งจรของปฏิจจสมุ ป, ปบาทด้วยการกำหนดลงไป ไม่มีทางเป็นไปได้นะเพราะอะไรเพราะจิตทุกดวงย่อมประกอบด้วยเวทนาเสมอไม่มีทางจะทำให้จิตปราศจากเวทนานะนั่นเป็นความเข้าใจผิดเลยเวทนามีทั้งหลายอย่างนะมีความสุขก็มีความทุกข์ก็มีเวทนาเฉยๆก็มีเพราะฉั้นะจิตใจถึงกำหนดลงไปไม่สุขไม่ทุกขนะ์ก็มีเวทนาเฉยๆมีเวทนาเฉยๆก็เกิดตัณหานะตัณหาได้พะอุเบกข า, าเวทนาเกิดขึ้นโมหะมักจะแทรก ถ้าถ้าถ้าสุขเวทนาเกิดขึ้นโสมนัติเวทนาเกิดขึ้นนะราคามกากจะแทรกถ้าทุกขเวทนาหรือโทมนัตเวทนาเกิดขึ้นนะั้โทสะมกากจนะแทรกแต่พอเรากําหนดลงไปกําหนดลงไปนะมีแต่อุเบกขาเวทนาเฉยๆหรือเรียกอัตุขธรมะสุขเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์อะไรโมหะมกากจะแทรกคือหลงไปเลยหนะลงว่ากูทําได้แล้วบังคับได้แล้ว ตัดเวทนาได้แล้วเพราะคิดว่าอุเบกขาเวทนานั้นไม่มีเวทนาเนื้อตัณหาอุปาทานภพชาติน่ะเกิดตลอดสายเลยเพราะตรงที่กําหนดนั่นแหละคือภพนั่นแหละตรงที่จงใจกําหนดลงไปนั้นก็คือภพนั่นเองงั้นเส้นทางนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนนะพอเรากําหนดมากเข้ามากเข้าต่อไปจิตจะดับลงไปตัดมากเข้ามากเข้าน่ะมันเหมือนไม่ทํางานนะแต่ไม่ทํางานเพราะการตัดจิตจะรวมลงไปนะ แล้ก็ดับลงไปเลยอันนี้เรียกว่าอาสัญญาสัตตาภูมิหรือผมลูกฟักหลายคนคิดว่านิพพานเนี่ยต้องไม่มีรูปไม่มีนามในขณะที่จิตบรรลุมรรคผลนิพพานต้องไม่มีจิตเพราะงั้นเวลาภาวนาไปวูบหมดสติไม่มีจิตแล้วคิดว่าบรรลุมรรคผลนิพพานอันนี้เข้าใจผิดอีกแหละในขณะที่จิตบรรลุมรรคผลนิพพานนะมีจิตนะไม่ใช่ไม่มีจิตมีจิตเรียกว่ามัคคจิต ในขณะที่บรรลุอริยามรรคขณะบรรลุอริยผลมีจิตชื่อว่าพอรจิตมีอย่างละยี่สิบดวงไม่ใช่มีน้อยๆนะแล้วก็มีเจตสิกด้วยที่เกิดประกอบกับจิตนั้นอีก30กว่าดวงสามสินะหรือสาขึ้นไปนะแล้วแต่องค์ฌานที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นในขณะที่บรรลุมรรคผลก็มีจิตมีเวทนามีอะไรทุกอย่างไม่ใช่ไม่มี ภาวนาไปนะหวังว่าจะมีความสุขหวังว่าจะมีความดีหวังว่าจะพ้นทุกข์ภาวนาจนดับความรู้สึกอีกพวกหนึ่งโดยการดับรูปหรือแต่ร่างกายร่างกายไม่มีนะเหลือแต่จิตพวกนี้เข้าอารูปประชานนี่ก็เป็นความปรุงแต่งอีกพวกหนึ่งสรุปแล้วความปรุงแต่งที่พวกเราสร้างขึ้นมาจากความต้องการจะมีความสุขเนี่ยมี3ามแบบแบบที่หนึ่งเที่ยวสแสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจภายนอก เรียกว่าการสุขาลิกานุโยกก็ได้เรียกว่าอป ah, ุญญาพิสังขารก็ได้นะเรียกว่าอาก ara, ูสลาพิสังขารก็ได้พวกที่สองบังคับกายบังคับใจตัวเองควบคุมไปด้วยเรียกว่าอัตตะกิลมัฏฐานุโยกเรียกว่าปุญญา ah, พิสังขารเรียกว่ากูสลาพิสังขารเป็นฝ่ายดีนะเป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีบังคับตัวเองควบคุมตัวเองงั้งโโน ern, เวลาเรามีสติเราอยู่เรารู้ว่าเพ่งนะไม่หายเพ่งนะาการเพ่งไม่ได้เป็นความชั่ว แต่ถ้าเป็นอกุศลเนี่ยพอสติะระลึกรู้ปั๊บจะดับทันทีงั้นนักเพ่งทั้งหลายนะต้องหลอกให้เผลอต้องชวนให้เผลอๆไปนะแล้วก็ะระลึกขึ้นมาแล้วสติมันเกิดได้ถ้เพ่งไว้นะมันมีแต่สติแนละไม่มีปัญญาทื่อๆไปอย่างนั้นนะปรุงแต่งอย่างที่สามก็คือการหลีกหนีการกระทบอารมณ์มีสองพวกพวกหนึ่งเพ่งรูปจนเป็นพรหมลูกฟักพวกหนึ่งเพ่งนามจนเป็นอรูปปรม คนในโลกคนพบทางพ้นทุกข์ด้วยวิธีเหล่านี้พ้นทุกข์ได้เหมือนกันแต่ได้ชั่วคราวอย่างเราอยากเคากกินของอร่อยได้กินของอร่อยใช่ไหมสบายใจมีความสุขพ้นทุกข์ไปนิดนึงเนื้อยากอย่างอื่นอีกตอบสนองอีกก็พ้นทุกข์อีกทีหนึ่งเดี๋ยวก็ทุกข์อีกล้อยากอีกเบอร์หกสดูออกเพียงว่าความอยากเกิดตลอดเวลาเห็นไหมตอนนี้เราดูตัณหาดูราคะออกแล้วเนี่ยอยากตลอดเวลาตอบสนองเท่าไหร่ก็ไม่ทันมันไม่มีทางทันเลย พวกหนึ่งก็นั่งกำหนดไปเพ่งไปนะพวกนี้ทุกตั้งแต่กำหนดแล้วทุกอื่นเลยไม่จอนเข้ามานะเหลือแต่ทุกจากการปฏิบัติพวกหนึ่งก็หนีหนีไปเลยนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้ชั่วคราวหมดเรากำหนดไปก็กำหนดได้ชั่วคราวสงบไว้ก็สงบได้ชั่วคราวเข้าฌานไปอย่างมากก็มื่กว่ากับ 4,000.000 นแปกับอะไรอย่างนี้นะอย่างมากๆเดี๋ยวมันก็หลุดออกมาอีก รูดออกมาอีกไปอาบัายคราวนี้พระพุทธเจ้าเคยสอนนะบอกว่าพวกพลมเนี่ยพอตายจากพลมเนี่ยมักจะไปอาบัายทําไมเก็บกดไว้นานรุดออกมานะใจเคลื่อนนะเคลื่อนอย่างรุนแรงเลยนภะูมนุษย์รองรับไม่ทันแนละ้พลุบลงข้างล่างไปเลยนะพระพุทธเจ้าค้นพบทางอีกเส้นหนึ่งนะไม่ใช่การตอบสนองกิเลสแล้วก็ไม่ใช่การต่อต้านกิเลส ทุกอยู่ที่ไหนท่านให้เรียนรู้ลงไปที่นั่นทุกอยู่ในกายค่อยมารู้อยู่ที่กายทุกอยู่ในจิตมารู้อยู่ในจิตค่อยรู้ลงไปเรื่อยๆ ร, นะรู้ไปจนเห็นความจริงเลยร่างกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่คนนะร่างกายนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเห็นอย่างนี้ร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างแต่เป็นทุกข์น้อยกับทุกข์มากนะ ไม่ใช่ทุกบ้างสุขบ้างจิตใจก็เป็นของไม่เที่ยงทำงานทั้งวันทั้งคืนพวกเราเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมตอนนี้เราที่เรียนกับหลวงพ่อช่วงหนึ่งจะเห็นเลจิตนี้ทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่เที่ยงแต่เราอยากให้เที่ยงรู้สึกไหมเมื่อไหร่มันจะหยุดสักทีนะเมื่อไหร่มันจะดีสักทีนะอยากในสิ่งที่มันไม่มีอยากในสิ่งที่มันไม่มี ก, มมมมก็ต้องทุกร่าไปนเะนะีนะ่ยนคะุณต้องทาอะไร ยามไปแทรกแซงมันนะนี่เรียกว่าปุญญาพิสังขารเรื่องอัตตะกิลมัฏฐานยุโยคเห็นไหมหลุดออกจากเส้นทางที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วเส้นทางที่พระพุทธเจ้าสอนคือรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะรู้โลงปัจจุบันไปเรื่อยๆหรือวิปัสสนานั่นเองนะพวกเราได้ยินคําว่าวิปัสสนาแล้วน่ากลัวนะฟังแล้วน่ากลัวรู้สึกลึกลับซับซ้อนมีวิด้วยวิตัวนี้ก็คือวิเศษนั่นเองไม่ธรรมดาวนะิปัสนาคือการเห็น ศาสนาคือการเห็นการเห็นอย่างวิเศษเลยคือเห็นยังไงเห็นตรงความเป็นจริงแต่หากเราเห็นอย่างวิเศษนะไม่ใช่หูจิบตาทิพแล้ววิเศษนะเห็นตรงตามความเป็นจริงนั่นแหละเรียกว่าวิเศษเลยในขณะที่พวกเราไม่เคยเห็นตามความเป็นจริงเลยอย่างตาเรามองเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นเพี้ยนเห็นอะไรเห็นมือไหมเห็นไหมเห็นมือเนี่ยเพี้ยนเรียบร้อยไปแล้วนะตามองเห็นอะไรตามองเห็นรูป เห็นสีเห็นไหมสีอันนี้กับสีอันนี้ไม่เหมือนกันสีอันนี้ตัดกันในรูปร่างอย่างนี้นะอาศัยสัญญาเข้าไปหมายรู้เอาไอ้รูปร่างอย่างนี้น่าจะเป็นพัดความจริงอาจจะไม่ใช่จะเป็นพายก็ได้แต่ด้ามมันหักไปนั้นสิ่งที่ตาเองเห็นนั้มันคือสีที่ตัดกันเป็นรูปร่างต่างๆแล้วสมมุติบัญญัติก็เข้าไปแทรกว่านี่คือพัดอันนี้คือกระติกน้ําสมมุติบัญญัติ ที่จริงที่ตาเรามองเห็นนเสมอกันนะคือสีใชเราขณะที่เรามองเห็นนเราก็เกิดความเห็นผิดเห็นเป็นคนเห็นเป็นสัตว์เห็นเป็นเราเห็นเป็นเขาขณะได้ยินเสียงมนี่เสียงหลวงพ่อใช่ไหมเสียงหลวงพ่อจริงๆมันก็คือลื่นเสียงสูงๆต่ำๆนั่นเองแต่เราก็ไปหมายรู้ว่าเสียงอย่างนี้เขาชมเราเสียงอย่างนี้เขาด่าเราเราไปให้ค่าเข้ามามีเรามีเขาขึ้นมาอีกแล้ว มีพอกพูนความเห็นผิดตามมองเห็นก็เห็นผิดว่ามีเรามีเขานะหูได้ยินเสียงขึ้นมาก็เห็นผิดมีเรามีเขาขึ้นมาคิดขึ้นมานะก็มีเรามีเขาอีกนะรู้สึกไหมเวลาคิดนะเรายัางนั้นเราอย่างนี้นะเวลาหลวงพ่อคิดนะสมัยก่อนหลวงพ่อคิดนะจะใช้คําว่าเราไม่ทราบว่าใช้คําว่าอะไร <c oughs> บอกได้ไหมข้าพเจ้ามีไหมคงไม่มีนะเ <c oughs> ออท่านโมโห ก, ก็กูเนาะอ่า ถ้าโมโหขึ้นมาก็กูเห็นไหมเนี่ยขนาดคิดนะมันยังมีเรามีเขาเลยมีกูมีมึงขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยมันพอบคูุแต่ความรู้สึกความเห็นผิดผิดรู้สึกผิดผิดตลอดเวลาพวกเราต้องมาหัดวิปัสสนาคือมาหัดรู้สึกตัวนะมาหัดรู้สึกตัวก่อนอย่าใจลอยอย่าหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะอย่าไปนั่งเพ่งกายเพ่งใจไว้นะรู้สึกตัวนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกตามองเห็นรู้สึกหูได้ยินเสียงรู้สึกนะ จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจคิดใจนึกคอยรู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวทํำยังไง ร, รู้สึกตัวก็คือคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองตามองเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่ใจให้รู้สึกหูได้ยินเสียงความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่จิตใจให้รู้สึกใจเราคิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่ใจคอยรู้สึกเช่นเราอยู่ๆเรานั่งเฉยๆนะอยู่ๆหน้าคนคนนึงโผล่ขึ้นมาคนนี้เราลืมไปนานหลายปีแล้วใครเคยเป็นไหม ใครเคยเป็นบ้างนั่งอยู่เฉยๆอยู่ๆไอคนนี้โผล่ขึ้นมานะไม่ได้นึกได้คิดถึงมันเลยอยู่ๆก็โผล่มาลืมมันไปนานแล้วด้วยเนี่ยสัญญามันฝุดขึ้นมาพอเรานึกได้ปั๊บเนี่ยสังขารปลุงต่อเลยอ๋อไอนี่มันโกงแชร์เราะนี่ลืมไปตั้งนานแล้วนะเพอะหน้ามันโผล่เพรามันึกขึ้นได้โมโหอีกเลยไหมเนี่ยเวลาเราปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ห้ามไม่ให้คิดไม่ให้นึกมันห้ามไม่ได้นะจิตมันเป็นอนัตตาห้ามมันไม่ได้นี่จิตมันคิดขึ้นมา แล้วมันก็โกรธขึ้นมาความโกรธก็ห้ามไม่ได้นะไม่ได้ฝึกห้ามนะแต่ฝึกให้รู้ทันจิตเมื่อกี้ไม่โกรธจิตตอนนี้โกรธนะพอจิตมันโกรธเราก็ตามรู้ตามดูไปเดี๋ยวมันหายไปนี่จะพบว่าจิตเมื่อกี้โกรธจิตเดี๋ยวนี้ไม่ได้โกรธนี่นะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะตามรู้ตามดูไปจะเห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยความสุขเกิดขึ้นนะเมือมีสติไปรู้ก็เห็นความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนี่ความสุขไม่เที่ยงเหมือนกันความทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะ ใครเคยทุกนานที่สุดหนึ่งวันเคยไหมมีใครเคยทุกถึง1วันบ้างช่วยยกมือให้หลวงพ่อดูทุกถึง1วันเหรอเวลาข้ามถนนยังทุกอยู่ไหมหรือว่าเดี๋ยวซ้ายแหลกขวาไม่ทุกเห็นไหมไม่มีใครทุกวันหนึ่งหรอกทุกก็เกิดทีลักขณะทีลักขณะนะเกิดตอนคิดเอาไม่คิดไม่ทุกหรอกหลวงพ่อเคยถามผู้หญิงคนหนึ่งนะเด็กผู้หญิงความจริงไม่ได้ถามเจาะตัวเขาหรอก ถามลอยๆว่าพวกเราคนไหนเคยทุกข์นานๆบ้างมีเด็กผูก้หญิงคนหนึ่งของหนูนานปีกว่าๆทุกนั้นปีกว่าๆทุกเรื่องอะไรนะไอผู้ชายมันทิ้งมันหลอกจีบแล้วมันทิ้งเลยทุกอยู่ปีกว่าๆหลวงพ่อก็ลองแหย่ๆดูหน้าตาแล้วชอบไปเที่ยวศูนย์การค้าแย <c oughs> ่ๆดูว่าเคยไปเที่ยวตามศูนย์การค้าแล้วอยากเข้าห้องน้ํำไหม เคยเคยปวดอืนขนาที่วิ่งหาห้องน้าเนี่ยโกรธไอ้หนุ่มนั่นั้มไม่ได้โกรธใช่ไหมใจคิดถึงแต่ห้องน้ำนพอเจอห้องน้ำดีใจใช่ไหมดีใจเข้าไปได้ยคนยังเข้าแถวอยู่เลยเห็นความดีใจจะพลิกเลยเนี่ยฟ้องด้วคันตุ ก, กะงั้นไม่มีน้างโกรธเป็นปีๆโกรธเป็นวันๆไม่มีหรอกมีโกรธเป็นขนาดขนาด ใจเราคิดขึ้นมาเราก็โกรธทีหนึ่งตาเราเห็นจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสนะความรู้สึกมันเปลี่ยนตลอดเวลาให้เราคอยดูไปดูเพื่ออะไรไม่ใช่ดูเพื่อเอาดีเอาสุขเอาสงบนะแต่ดูเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเหล่านี้ชั่วคราวทั้งหมดเลยความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวอกุศลก็ชั่วคราวดูเพื่อให้เห็นเท่านี้แหละ เห็นเท่านี้จะเป็นอะไรได้หรือไม่เป็นพระโสดาบันไดเพราะพระโสดาบันคือคนที่รู้แจ้งแทงตลอดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาถ้าเราสามารถตามรู้ตามดูจิตใจของเราไปเรื่อยเราจะเห็นว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความโลภความโกรธความหลงความสบายใจความผ่องใสความอิจฉาลิษยาความกังวลความกลัวทุกสิ่งทุกอย่างชั่วคราว ตามดูไปอย่างนี้จนใจมันยอมรับความจริงดูไปซ้ําแล้วซ้ำอีกนะวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าดูไปจนใจมันยอมรับความจริงว่าทุกอย่างชั่วคราวเนี่ยจะได้โสดาบันนะจิตมันจะรวมข้อปณาสมาธิแล้วเกิดกระบวนการตัดสินความรู้ขึ้นมาแต่ไม่ใช่อยู่ๆนึกเอาเองนะเม่อได้โสดาหลวงพ่อต้องฆาตกรรมพระอริยะมากมายนะปีๆหนึ่งเดี๋ยวก็บรรลุเดี๋ยวก็บรรลุนะ บางคนก็บอกตรงๆได้นะก็หงอยไว้พักหนึ่งนะบางคนบอกตรงๆไม่ได้ต้องเรียบๆ เ, เคียงๆอ้อมๆค้อมๆนะบอกสังเกตไหมความพอเผลอเมื่อะไหร่ความเป็นตัวเราก็มีอีกเห็นเห็นหางไหวๆแต่ว่าเวลาดูอยู่ไม่มีนะเนี่ยอุตส่าห์จะเป็นพระโสดาให้ได้นะ <c oughs> วอาเผลอเราเห็นหางความเป็นตัวตนมันไหวๆขึ้นมานะเห็นแว บ, บๆถ้ายังเห็นแว บ, บๆอยู่ไม่ใช่ของจริงนะ จริงไม่มีเลยไม่มีเลยงั้นต้องค่อยๆเรียนนะเรียนคอยรู้กายคอยรู้ใจตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ตามธรรมดาพอกระทบแล้วความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นที่ใจเราให้คอยรู้ไปเราจะเห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในใจเรานี่ชั่วคราวทั้งหมดเลยสุขก็ชั่วคราวทุกก็ชั่วคราวกุศลอกุศลชั่วคราวทั้งหมดถ้าเราเห็นอย่างนี้ต่อไปนี่จิตใจเราจะเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้น ความสุขเกิดขึ้นพอเราไปรู้แต่เดิมความสุขเกิดขึ้นนะเราหลงปลื้มใจยินดีพอใจตอนนี้สติปัญญามันรู้ว่าชั่วคราวไม่หลงดีใจละความทุกข์เกิดขึ้นมันก็รู้ว่าชั่วคราวอีกนะไม่เสียใจไม่เกลียดชังไม่อยากให้หายเนี่ยดูลงไปนั้นใ น, นที่สุดใจจะเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างความสุขเกิดขึ้นใจก็เป็นกลางความทุกข์เกิดขึ้นใจก็เป็นกลางใจเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อใจเป็นกลางแล้วเนี่ยใจจะไม่ดิ้นรนปรุงแต่ง เช่นความสุขเกิดขึ้นเนี่ยไม่เห็นจะต้องดีใจอยากให้อยู่นานๆถึงยังไงก็ไม่อยู่เนี่ยรู้ว่าชั่วคราวใจไม่ดิ้นรนใจไม่ปรุงแต่งความทุกข์เกิดขึ้นใจก็ไม่อยากให้หายรู้ว่าของชั่วคราวเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำอีกรู้ลงไปอย่าง น, นี้สุดใจมันจะหยุดการดิ้นรนหยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหามันจะรู้สักว่ารู้สักว่าเห็นนะไม่ปรุงไม่แต่งอะไรรู้แล้วจบลงแค่การรู้อย่างแท้จริง ใจก็จะเข้าไปถึงธรรมที่ไม่ปรุงแต่งเพราะฉะนั้นเราภาวนานะจนกระทั่งจิตของเราหมดความปรุงแต่งได้ด้วยปัญญาส่วนสมถะนี่คือความปรุงแต่งโดยตัวของมันเองอยู่แล้วน้อมใจให้สงบเนี่ยเพราะฉะนั้นบนรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้แต่วิปัสสนาเนี่ยเรามารู้กายมารู้ใจแนละ้วรู้ไปจนกระทั่งเห็นทุกอย่างเป็นธรรมดาหมดเลยธรรมดาของทุกอย่างคือเกิดแล้วดับหมดเลยใจก็พ้นความปรุงแต่งอะไรเกิดขึ้นใจก็ไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่ง เมื่อใจหมดความดินน้นรนปรุงแต่งใจจะเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งคือนิพพานนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่เองนิพพานไม่เคยหายไปไหนสักขณะเดียวนิพพานเต็มบริบูรณ์เต็มโล ก, กาธาตุอยู่อย่างนี้เองแต่ใจของเรานั้นมัวแต่หลงอยู่ในความปรุงแต่งเราเลยไม่เห็นนิพพานให้เรารู้ลงไปนะรู้ลงไปจนเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวหมดเลยใจจะหยุดปรุงแต่งความสุขก็ไม่เห็นต้องอยากได้ใช่ไหมก็จะไม่ดินน้นรนหาความสุข ไม่ดิ้นรนที่จะรักษาความสุขความทุกข์ก็ไม่เกลียดชังมันไม่ต้องหาทางป้องกันไม่ให้มันมามาแล้วก็ไม่ต้องหาทางไล่เพราะมันของชั่วคราวความสุขกับความทุกข์เสมอภาคกันเป็นของชั่วคราวในความรู้สึกนะใจนี้ไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงเลยไม่ใช่รักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งใจจะเป็นกลางต่อสิ่งที่เป็นคู่คู่ทั้งหลายทั้งปวงเลยเมื่อใจเราเป็นกลางต่อสิ่งที่เป็นคู่คู่ทั้งหมดนะทั้งสุขและทุกข์ทั้งดีและชั่วใจไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่ง ใจก็จะเข้าไปเห็นนิพพานที่ไม่ปรุงแต่งพวกเราดูออกอยังว่าใจเราปรุงทั้งวันทั้งคืนดูออกอยังทําทั้งวันทั้งคืนนะแล้วสังเกตไหมไม่ว่าอะไรผ่านมาทุกสิ่งผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาล้วนแต่ผ่านไปนี่ดูไปเรื่อยนะแต่สังเกตไหมใจเราไม่ยอมใจเราอยากให้ของดีๆผ่านเข้ามาอยากให้กุศลผ่านเข้ามารู้สึกไหมใจเราอยากให้ความทุกข์ไปให้พ้นๆไม่ให้มาอีกรู้สึกไหมเนี่ยยังไม่เป็นกลางนะยังไม่พอ ดูยังไม่พอดูเข้าไปอีกจนเห็นเลยทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวดูมันเข้าไปอย่างนี้แหละถึงวันที่เขาพอเขาพอของเขาเองเหมือนเรากินข้าวนะกินไปเรื่อยๆนะถึงเวลาเข้าอิ่มของเขาเองไม่ต้องไปช่วยเข้าอิ่มนะเราภาวนาไม่ใช่แบบพวกอยากไดเอทนะกินสามคำพอละวันนี้นะไม่ใช่ดูดูนะดูมาได้สิบนาทีพอสมควรลนะนะพวกนี้ต้อง้อมตาย้อมจากคุณธรรมนะ ดูให้เยอะๆดูเข้าไปดูทั้งวันยิ่งได้ยิ่งดีนะคุณผู้ชายที่ใส่เชิ้ตแขนยาวดูออกอย่งว่าใจเราเคลื่อนไปเรื่อยๆใจเราเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็คิดเรื่องโน้นเดี๋ยวก็คิดเรื่องนี้เดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อแวบหนึ่งเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดสลับไปเรื่อยๆนะค่อยๆสังเกตนะไอ้ตอนนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหมใจไปคิดนะไปคิดตามที่หลวงพ่อพูด ค่อยๆดูไปนะไปดูไปเอารินเผลอไปแล้วรินนะรินเผลอไปแล้วอ่เบอร์สามสิบสี่ใจลอยไปแป๊บหนึ่งจําเบอร์ไว้นะ่หลวงพ่อเรียกแล้วยังหันไปดูเพื่อนอีกนะเอแต่บางคนก็ไม่เห็นเบอร์นะ เ, เบอร์ไปซุกไว้ใต้เสือหรือวางไว้เตีย้ยๆไม่เห็นอนะ่ะะไม่มีที่ผจญสู่ไปดูใต้เสือนะ <c oughs> อา้าวเบอร์หนึ่งใจลอยไปแล้วว่างไงว่างไง สมถะน้นมันทําไปเพื่อให้ใจสงบตั้งมัน่นพอใจสงบแล้วเนี่ยให้หัดสังเกตสภาวะนะพอหัดสังเกตสภาวะสติเกิดแล้วเนี่ยสมาสมาธิมันจะเกิดสมาสมาธิจะเกิดลอยๆไม่ได้ต้องเกิดร่วมกับสติเท่านั้นเะฉะนั้นะนะตัวสัมมาสัมมาทั้งหลายเวลาเกิดจะเกิดร่วมกันหมดนะไม่เกิดลอยๆอทีละตัวทีละตัวแต่ว่าอาศัยการทําใจให้ใหสงบพอใจสงบแล้วก็สังเกตสภาวะง่าย ก็เห็นสภาะวะเคลื่อนไหวเกิดดับไปเช่นเราหัดหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยใจฉลาบซ้ายฉลบดปาก็ดูง่ายถ้าเราไม่ได้ทำเลยเนี่ยไปไหนก็ดูยากอาศัยตรงนี้ท่านหะนึ่งเวลาที่เราจเจริญวิปัสสนาแล้วบางครั้งเราก็ต้องกลับมาทำสมถะพักผ่อนะถ้าไม่ทำเลยตามรู้ตามดูรูกเดียวนะใจมันจะไปอยู่นอกๆไม่ตั้งมั่นที่หลวงพ่อบอกไม่ถึงฐานไม่ถึงฐานน พวกเราคนไหนที่หลวงพ่อเคยบอกว่าไม่ถึงฐานบ้างไหมรู้จักหรื อ, อยังฐาน <c oughs> ถ้าไม่บอกไว้นะไม่รู้น ะ, ะมันนึกว่าเรารู้สึกตัวอยู่ความจริงไปรู้สึกอยู่นอกๆมัน อ, อยู่นอกๆจิตส่งออกนอกไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่เห็นถามว่าเราไปเห็นอะไรบ้างก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์โยเว้นตัวกู หลายคนนะฝึกกรรมฐานกันมานะเห็นไตร ล, ลักษณ์หมดเลยแต่ข้างในนี่นะประคองนิ่งเงียบไปอย่างนั้นเลยรักษาไว้ตลอดเลยไปรักษาไว้แล้วก็รู้สึกว่านี่คือตัวเรานี่คือตัวเรารักษาเบอร์สี่สิบสองใจลอยไปละเวลาหลวงพ่อบอกนะอย่าเพิ่งเถียงนะอดทนนิดนึงนะเวลาหลวงพ่อบอกแล้วรีบสังเกตเอ๊ะเมื่อกี้ทําอะไรอยู่หลวงพ่อถึงพูดอย่างนั้น เน่คุณที่ใส่เสื้อเชิ้ตอ่ะรู้สึกไหมเมื่อกี้หนีไปทําอะไรเมื่อกี้ใจไปทําอะไรพอจะนึกออกไหมก่อนที่หลวงพ่อจะหันมาคุยด้วยเนี่ยไม่เป็นไรนึกไม่ออกตอนนี้ปล่อยไปก่อนนะงงแล้วรู้สึกไหมชักสงสัยแล้วรู้สึกไหมให้คอยรู้สึกนะรู้ลงไปในความรู้สึกของเรารู้ไปซื่อๆแล้วเราจะเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวหมดเลยทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไป เบอร์ห้าสิบสองเมื่อกี้นี่ทำอะไรอยู่กำลังเผลอๆไปรู้สึกไหมเออเมื่อกี้เผลอไปหนะลวงพ่อเคยนะที่ตอนอยู่เมืองการเคยถามอ้าวทาอะไรอยู่เผลอค่ะทาอะไรเพ่งครับทาอะไรเป็นหมอฟันค่ะนะแม้หักมุมหน่าดูเลยสแสดงว่าใจรอยสุดขีดเลยนะ ไม่ฟังเลยเ็าไล่มาตั้งครึ่งแถวแล้วเขาตอบอะไรกันนะตับเฉยเลยเป็นหมอฟันมิงเป็นไงมิงในไมโครโฟนไปนไหนละเบอร์สามสิบห้าเห็นไหมไปมองเขาลืมตัวเองฝึกอย่างนี้นะฝึกเมื่อกี้คำค่ะแล้วก็ต่งๆไม่ได้ยินเมื่อกี้คำค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ บ, บังคับแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะทีแรกบังคับอยู่นะแล้วก็หลงไาฟังแล้วก็ขำเหไหมพอหลวงพ่อหันมาถามก็เลยเกรงขึ้นมาอีกเห็นหยังมาบอกว่าตอนนี้ดีขึ้นออตอนนี้เมื่อกีไม่รู้คะ่ะว่าเกรงขึ้นมาออแล้วดูออกอยังว่าเกรงไวออ้ถ้าต้องดูให้ออกนะเป็นอะไรก็ได้ดีก็ได้ชั่วก็ได้หลวงพ่อไม่ว่าเลยนะขอให้รู้ตรงตามความเป็นจริงเท่านั้นเอง จิตจะเป็นกุศลก็ได้จิตจะเป็นอ ก, กุศลก็ได้ขอให้รู้เท่านั้นแหล ะ, ะใครจะคุยกับหลวงพ่อเชิญยกมืออ่าส่งวันนี้เบอร์แปดสิบสองนี่วันนี้แกล้งว่วงนะในวิธีส่งอย่างนี้หลังอาหารก็รอยากจะกราบเรียนหลวงพ่อค่ะคือในบางครั้งเวลาที่เราดูจิตเนี่ยคือมันเห็นความรู้สึกแต่มันวิ่งเป็นสายเหมือนจอืตลอดแล้วในในบางความรู้สึเหมือนกับ มันก็เสียดแทงใจแต่มันก็ไม่คือไม่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะรู้แต่ว่ามันอื้อวิ่งเป็นสายตลอดเลยค่ะแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยอยู่ๆมันมีความรู้สึกเหมือนว่าพอรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนมีแรงที่มาดึงดึงมาอยู่ที่ฐานฐานที่เราตั้งมั่นเอาไว้นะคะมันจืดแบบจะพยายามคิดว่าจะฝืนดูก็ไม่ไหวแล้วก็ก็ตามรู้เขาไปว่าเขาดึงลงจนแบบเขาค่อยๆ ค, คลายแล้วก็นิ่งค่ะ และตามรู้ไปทุกอย่างที่ปรากฏล้วนแต่ดับทั้งสิน<ฆ>้นค่ะคือพวกเราอย่าไปหลงกับอาการที่ปรากฏนะ<ฆ>ทุกสิ่งที่ปรากฏนะแสดงไตรลักษณ์เหมือนกันหมดนนะ่ะค<ฆ>่ะเฉะั้นเราไม่ต้องไปวิเคราะห์สภาวะแต่ละชนิดแต่ละชนิดค<ฆ>่ะเราแค่เห็นว่าสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นไม่เหมือนกันค่ะ<ฆ>ทำไมเห็นว่าแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนี้จําเป็นรู้ไหมจะได้เห็นว่าทุกอย่างที่เกิดล้วนแต่ดับทั้งสิ้นค่ะถ้าเราแยกสภาวะไม่ออกเราจะรู้สึกว่ามีสภาวะอันเดียวรั่ว คงที่ถาวรแต่แล้วถ้าเราเห็นอย่างโลภกับหลงไม่เหมือนกันนะหลงกับโกรธไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยถ้เราเห็นความแตกต่างของสภาวะเราถึงจะดูออกความโลภเกิดอยู่ชั่วคราวแล้วหายความโกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายนี่สภาวะยืดยืดนี่ก็หายรู้สึกไหมมันเป็นยังไงก็ได้ก็ก็ตามรู้ไปก็ตามรู้ด้วยใจที่เป็นกลางาถ้าใจเกิดสงสัยว่าอะไรนะ ร, รู้ว่าสงสยัสยถ้าใจพอใจโอ้วันนี้ภาวนาดีรู้ว่าพอใจค่ะ ก็บางช่วงก็รู้สึกว่าเห็นจิตมันฮึกเหิมเอก็ก็รู้ล้วจิตมันฮึกเหิมได้นะแต่บอกไว้เลยวันหนึ่งมันก็ป้อแแปลยค่ะใช่แล้วพอเย็นก็หงอยเลยค่ะนั่นแหละวันเดียวกันนั่นเองค่ะก็เห็นพอเช้าจะเป็นอย่างเงี้ยเช้าคึกคักแม้ฮึกเหิมพอเย็นก็เริ่มหงอยฟ่อลงไปเลยค่ะนะตามดูไปรู้แต่ของไม่เที่ยงใช่ค่ะดูเพื่อให้เห็นแค่เนี้ เหมือนกระทุกให้รู้แต่ตอนนี้ก็คือแต่ก่อนก็จะแบบมีทุกข์เราไม่อยากเผชิญแบบที่หลวงพ่อบอกอ่ะค่ะแต่ตอนนี้เต็มใจที่จะดูเลยค่ะอ่ ะ, อะใครต่อไปมีไหมใครเอายกมือเลยใครต้องการอ่ะส่งมาข้างหน้าข้างหน้านิมนต์นิมนต์ น, น, นั่งเลยครับเดี๋ยวผมเขาอากาศพูด ก, ก, กับโยบกับนิมนต์ต้นจิตเป็นยังไงครับแล้วปลายจิตคืออะไรครับ อย่าไปสนใจเลยเพราะพระุทธเจ้าไม่เคยสอนะมันเป็นสำนวนที่อาจารย์รุ่นหลังท่านสร้างขึ้นมาคือตัวที่ไปบงการนะให้จิตเกิดพฤติกรรมนั่นะเรียกต้นจิตนะจริงๆเป็นศัพท์เทคนิคเฉพาะสำนักนะจริงๆนะสังสารวัตเนี่ยไม่มีต้นมีปลายอะไรเกิดดับตลอดนะสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆ กระทั่งจิตหนึ่งดวงนะก็มีต้นจิตกลางจิตปลายจิตในดวงเดียวกันนะมีจิตที่เกิดขึ้นมมีจิตที่ตั้งอยู่มีจิตที่ดับไปในดวงเดียวกันนมีสามขณะย่อยๆนะมีอุปาทถีติพังคะเกิดขึ้นมาแต่ว่าสำนวนอย่างนั้นหมายถึงว่าให้เรารู้ทันเวลาจิตใจเราเกิดตัณหาขึ้นมามันจะบงการให้เราเกิดพฤติกรรมนะก็เป็นสันวนอย่างเราอยาก เราอยากรู้เรื่องเนี่ยความอยากเกิดขึ้นในใจมันก็จะดิ้นรนหรือใจมันสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวมันอยากเดินล้สั่งให้กายเดินก็ไปเรียกตัวนี้กันสมมุติเอานะเ ร, เรียกต้นจิตในพระไตรปิฎกไม่มีคํานีนะ้แต่จิตชนิดนี้มีจิตจิตที่ประกอบด้วยตัณหาหนึ่งคือเคยเกิดอยูเด็กๆแบบดับความคิดไปจนกระทั่งว่า ขนาก่อนนั้นคิดอะไรไม่จําไม่ไดนะ้นึกกลับมาแปลกนะแต่ว่าเราไม่ได้เจตนาดับมันดับเองเหรือเปล่าอยู่เฉยๆก็ดับได้ใช่ไหมนั้นเป็นทุกคน<อ>เป็นทุกคนแ่ะอย่างเราลองทดสอบนะเราไปสวดมนต์ดูสวดมนต์ดูดดปเดี๋ยวใจจะหนีแวบไปคิดเรื่องอื่นนะลืมสวดมนต์นะแล้วพอเรานึกขึ้นได้ว่าจะต้องสวดมนต์ต่อเราต้องแอบคิดอย่างรวดเร็วเลยเมื่อกี้ตึงไหนเป็นทุกคนอะ แท้จริงก็คือจิตมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลานี้บางทีเกิดขึ้นมาแล้วสัญญายังทำงานไม่ทันเป็นทุกคนคำถามต่อไปคือว่าบางทีดูกายแล้วก็ความรู้สึกพลงกังกำลังวิ่งอยู่แล้วแล้วก็ความคิดก็วิ่งอยู่จงมาจงรับไม่ไหวว่าไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องผ่อนคลายการปฏิบัติลงหน่อยอย่าจริงจังมากภาวานานเล่นๆจริงจังเยอะไป ทำให้สบายนะใช้ชีวิตปกติสนาะยสบายๆถือศีลห้าไว้แล้วก็ใช้ชีวิตธรรมดาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปเรื่อยๆกระทบแล้วใจเป็นยังไงคอยรู้ไปเรื่อยๆลดความจริงจังลงนิดนึงของโยมจริงจังไปอส่งแปะหลังเบอร์52อะไรนะเดีเดๆวๆช่วยพูดหน่อยหลพหูตึงแล้วแก่แล้ว คือว่าเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าให้ตามรูกายรู้ใจไปเรื่อยๆใช่ไหครับตอนไหนรูกายตอนไหนรู้ใจครับดูตอนไหนรู้กายได้ก็รู้กายไปตอนไหนรู้ใจได้ก็รู้ใจไปเราเลือกไม่ได้หรอกแล้วอย่างมางคลเขาบอกว่าเขาเขาไม่ถนัดดูกายเขาจะดูแต่ใจงี้ได้ไหมครับเป็นไปไม่ได้หรอกคนไหนดูจิตเป็นนะก็รู้กายนะร่างกายขยับขยื่อนรู้สึกตลอดแหละ มันบังคับไม่ได้ว่าจะเอาอันใดอันหนึ่งถ้าบังคับได้ก็เป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาก็แปลว่าดูกายนี่ไม่ใช่ดูเฉพาะลมด้วยใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่เฉพาะลมวิธีรู้รู้ลมหายใจอย่างเราฝึกอานาปนาสตินะอย่าไปเข้าใจผิดว่ารู้แต่ลมนะถ้าเราไปเพ่งใส่เฉพาะตัวลมจะเป็นสมถะแต่ถ้าเราเห็นร่างกายนี่หายใจอยู่ใจเราเป็นคนดูอยู่นะมันจะเริ่มแยกรูปแยกนามเป็นต้นทางของการทำมิปัสสนา สังเกตไหมในหายใจอยู่นี่มีใจคนหนึ่งเป็นคนรู้ <Okay. S 1> ต้องมีตัวผู้รู้ขึ้นมานะสำนวนวัดป่าจะเรียกว่าตัวผู้รู้ถ้าสำนวนในบาลีจะมีศั์อยู่คํานึงเรียกว่าเอโกทิภาวะภาวะอันเป็นหนึ่งภาวะอันเป็นหนึ่งก็คือใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่เองนตอนนี้ใจแอบไปคิดแล้วทราบไหม<ะ>ใจมันไปคิดก็รู้ทันว่ามันไปคิดเมื่อกี้พยักหน้านึกออกหม เห็นไมมันก็รู้นะไม่ใช่รู้แต่ใจไม่ใช่บังคับว่าต้องรู้กายอันเดียวรู้ใจอันเดียวอันนี้นเข้าใจผิดแล้วก็แปลว่ารู้กายนี้คือรู้ทั่วๆไปไม่จำเป็นต้องไปเพ่งลมหรือการถ้าต้องการทําความสงบก็ไปเพ่งเอาถ้าต้องการรูนะ้ร่างกายเคลื่อนไหวคอยดูไปเห็นในร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเหมือนกับเปลือกอะไรอันหนึ่งนะเหมือนหุ่นตัวหนึ่งที่จิตมาอาศัยอยู่ ร่างกายนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ใช่ตัวเราแล้วแล้วโดยปกติเนี่ยอย่างผมเนี่ยจะรู้ลมไม่รู้มันแป็นตัวนิสัยของมันเองครับคือถ้ามันว่ามันจะไปรู้ลมนี่ก็คือก็ปล่อยมันไปอย่างนั้นละปล่อยนไปนะแต่พอไปรู้ลมแล้วใจของเราเป็นยังไงให้คอยรู้ทันเช่นไปรู้แล้วใจเรามีความสุขก็รู้ใจเราฟุ้งซ่านก็รู้ใจซึมซึมทื่อๆก็รู้แล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นไหมไม่ห้ามมันเราก็รู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆเอาสียอาพารู้รู้ว่ามันซึมก็ปล่อยมันซึมไป ให้รู้ว่าใจมันซึมะพอแล้วใช่ไหมพอแล้วดูซิความซึมจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่ดูของจริงอย่างนี้แล้วเวลารู้ว่ามันซึมดูตามตามดูไปเรื่อยๆหรือว่าดูกลับมาดูแล้วก็ปล่อยไปแล้วดูใหม่เป็นยังไงตามดูไปเรื่อยคือพอรู้ว่ามันซึมเราก็นั่งดูไปเรื่อยว่าเออมันมันไม่ดูเรื่อยๆอ่ะพอรู้ว่าซึมนะเดี๋ยวมันเริ่มไม่ชอบเนี้ยไม่ชอบเราก็รู้ว่าไม่ชอบนะไม่ใช่ต้องไปดูที่ซึมมันเดียวไม่ดูอันอื่น อะไรสดสดร้อนๆอนแปลกใหม่ขึ้นมารู้อันนั้นแหละอที่เป็นปัจจุบันไปเรื่อยๆแอบไปคิดแว บ, บหนึ่งอ่ะรู้ไหมมันคิดอยู่ตลอดอ่ะเออดีคิดอยู่ตลอดครับเอางี้นะถ้าเห็นมันคิดตลอดเนี่ยดูจิตได้ละพอเป็นนี้จิตแอบไปคิดให้รู้ทันไม่ห้ามนะไม่ดึงไว้นะไ ม, มไม่ห้ามจิตไหลไปคิดแล้วรู้ไหลไปคิดแล้วรู้ฝึกแค่นี้พอละครไปอีกแล้วรู้สึกไหมดีใช้ได้ หลวงพ่อนะฝึกหายใจอยู่ยี่สิบสองปีนะมาหายใจแข็งกับอาจารย์วิชาได้สบายเลยฝึกแล้วขึ้นมีปรัชนาไม่เป็ น, นะจริงๆถ้าหายใจเป็นนะมนก็ไปได้นะถึงมากถึงผลได้รู้ลมหายใจไปนะจิตเป็นคนรู้คนดูอยู่เห็นร่างกายนี้หายใจไปร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตที่ไปรู้ไปดูก็ไม่ใช่ตัวเรานะดูไปเรื่อยๆตัวเราไม่มีนอย่างนี้ก็ไปได้เหมือนกันเยแอบไปคิดแล้วเบอร์ห้าสิบสอง รู้สึกไหมมันวูบไปเออมันวูบไฟเห็นไหมมันวูบไปเองรู้สึกไหมเราไม่ได้สั่งมันมันวูบไปเองนั่นแหละมันเริ่มแสดงไตรลักษ์ให้ดูแล้วมันห้ามไม่ได้เลยมันห้ามไม่ได้คําว่าห้ามไม่ได้ก็คือคําว่าอนัตตานั่นเองสังเกตไหมมันไม่คงที่มันส่ายตลอดนั่นคือคําว่าอนิจจังนั่นเองเนี่ยแค่ตามดูวระเดียวปรดาเห็นไหมเริ่มดูเป็ดแล้วรู้สึกไหมใจของเราสว่างขึ้นมามันดูออกไหม ไม่ออกครับนนไม่ออกนะ ร, รู้สึกไม่ใจเราโล่งๆเออบางคนดูสว่างไม่ออกดูโล่งๆเนี่ยใจไม่โล่งแล้วรู้สึกไหมใจเริ่มแน่นๆแล้วอันน<ะ>ีไ<อ>้ไม่ทันแล้วครับเออเริ่มอึดัดแล้วนะเนี่ยดูไปดูความเปลี่ยนแปลงนี่นะง่ายอย่าตายไ ป, <c oughs> ไปบางคนนะหลวงพ่อบอกง่ายอะไรนะ <c oughs> เออง่ายนิดเดียวเลยบอกยากเยอะ <c oughs> หลวงพ่อครับในในซีดีที่ผมเคยฟังหลวงพ่อบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตเกิด เ, เดินทางได้รวดเร็วแล้วก็ไปได้ไกลอย่างนี้จิตนี่มีมีเชื้อเพลิงไหมฮะใช้อะไรเป็นพลังงานหรือเปล่ามีพลังงานในตัวของมันเองตัวมันเองใช่ไหมครับมันมีพลังงานนะเพราพลังงานของมันเนี่ยเยอะมากเลยเพียงแต่มันเป็นพลังที่ประณีตเลยยังเอามาขับเครื่องยนต์กลไกที่หยาบหยาบนี้ไม่ได้ ถ้าผลิตเครื่องยนต์ที่ประนีตกว่า น, นี้ได้นะต้องละเอียดกว่านาโนนะนาโนนี่ยังหยาบ <c oughs> จิตมันไปเร็วนะเคลื่อนที่เร็วอย่างแสงเนี่ยไปพรอา ท, ทิตนี่กี่นาทีหลายนาทีจิตนี่ถึงเลยอนึกถึงที่ไหนก็ถึงที่นั่นเลยเร็วกว่ากันเ ย, ยเอะนั่นเป็นสาเหตุให้มันทำให้มันเป็นอิสระจากขันได้ <c oughs> ใช่ไหมครับได้ แต่ว่าตัวมันอ่ะเหมือนมเมล็ดพันธ์นะหล่นลงไปตรงไหนก็ไปงอกสร้างขันใหม่ขึ้นมาอีกจนกว่าเชื้อมันจะตายเชื้อมันคืออะไรรู้ไหมคือเอาวิชางั้นถ้าล้างเอาวิชาไม่ได้นะเชื้อเกิดไม่หมดเกิดอีกง้าเรารู้เข้ามาให้ถึงจิตจริงๆนะล้างเอาวิชาเชื้ อ, อวิชาได้อวิชาเป็นความไม่เห็นอริยสัจไม่รู้ทุก น, นั่นเองไม่รู้ว่าตัวจิตนี้แหละคือตัวทุกคิดว่าตัวจิตนี่คือตัวดี พอรู้สึกว่าจิตเป็นตัวดีเป็นตัวเรานะมันจะหวงแหนจิตรักจิตอยากให้ดีอยากให้สุขอยากให้สงบเกิดความปรุงแต่งสามแบบที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้นีเองพอเกิดความปรุงแต่งขึ้นมาจิตมันจะหยางลงไปเกิดรูปนามขึ้นมาเกิดขึ้นอีกนั้นมันเป็นเชื้อเกิดนะตัววิชานี่แต่ก่อนภาวนาตอนลงู่เทศก่อนจะย้ายไปถ้าขามเคยไป พูดกับท่านถึงจิตซึ่งมันเป็นตัวต้นกำเนิดตัวจิตอวิชชาตอนนั้นเริ่มไปเห็นมันบ้างแล้วท่านก็สอนบอกให้ดูเข้าไปอีกก็เป็นใจลักามีไหมแค่จะพูดกับหลวงพ่อหนึ่งมีไหม อ, อ๋อหนึ่งแล้วออาเบอร์หนึ่งอ่ะเบอร์หนึ่งส่งไปในยนิดอย่าท้อแท้ใจนะเดี๋ยวเขาเลิกแล้วภาวนาะมาพักหนึ่งนะคะพระอาจารย์แล้วก็ เห็นว่าคือไม่คิดมาก่อนว่าเรารักตัวเองมากขนาดนี้แล้วใจมันไม่ยอมรับมันกระเทือนมากค่ะไม่ยอมรับความจริงว่าเรารักตัวเองขนาดนี้อดีแล้วาดูไปจนกระทั่งมันเลิกปฏิเสธความจริงนะมันคล้อยตามความจริงจิตที่มีปัญญาคล้อยตามความจริงเรื่องจิตมีอนุโลมอย่างคล้อยตามความจริงตอนนี้จิตไม่มีอนุโลมอย่างมีแต่ปฏิโลม มีแต่ต้านไว้ไม่เชื่อมหรอกมันปฏิเสธอย่างแรงอะคะอ่ะอาจารย์ดีละครยดูไปนะแต่เดิมเราไม่รู้เลยนะว่าเรารักตัวเองขนาดนี้ทุกสิ่งที่ทําทุกสิ่งที่พูดทุกสิ่งที่คิดเนะี่ยเจือด้วยความรักตัวเองเข้าไปนี่ความรักตัวเองถ้าไม่ควบคุมมันให้ดีนะมันจะเป็นความเห็นแก่ตัวเองกลายเป็นตัวเห็นแก่ตัวถึงต้องฝึกละความเห็นแก่ตัวด้วยทานศีลภาวนาเนี่ยละความเห็นแก่ตัวลงไป สาเหตุที่จิตไม่ยอมรับความจริงนะคะมันยังเห็นน้อยไปต้องดูมากๆจ่กระทั่งมัเห็นเลยตัวสิ่งที่เรียกว่าตัวเราไม่ใช่ของดีของวิเศษเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเนี่ยพอเห็นความจริงนะว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆถึงจะยอมวางทุกวันนี้ที่มันรักตัวเองเพราะมันเห็นว่าจิตใจนี้เป็นของดีของวิเศษนะมีกายมีใจนี่แหละทาให้หาความสุขได้ มีร่างกายก็เลยหาความสุขทางกายได้มีจิตใจก็เลยหาความสุขทางใจได้ก็เลยรักมันแ เ, เพราะเหตุไรเราถึงไม่เคยเห็นว่าเรารักตัวเองค่ะอาจารย์เราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราไม่เคยเรียนเราไม่สามารถรู้ด้วยตัวเองนะเพราะว่าคนที่รู้ได้ด้วยตัวเองต้องเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพวกเราอยู่ในสาวกภพภูมิเรารู้เองไม่ได้ต้องฟังธรรม อดทนนะฟังหลวงพ่อพูดไปนะแล้วสติมันเกิดอย่างนี้นมันเริ่มเห็นนะเริ่มรู้เลยเห็นกายเห็นใจนี่แต่ว่าต้องดูไปเรื่อยจนเห็นมันทุกข์ล้วนๆนะตอนนี้เราเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างมันยังมีทางเลือกกลับใดที่มีทางเลือกมันจะดิ้นรนเอาดีเอาสุขเอาสงบอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่มันเห็นเลยใจนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยมันจะวางแล้วใครมันจะไปหยิบก้อนทุกข์ไว้ เราเราหวังได้ไหมคะว่าขอแค่เขายอมรับว่าเขารักตัวเองได้ดูไปเรื่อยๆนะเขาต้องรักไปก่อนให้เขารักไปดูไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งเราจะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับตัวเราไม่มีนี่ตัวเราไม่ ม, ต ม, มีตัวเราไม่มีได้พระโสดาบันแต่ความรักเนี่ยยังหลงอยู่ความยึดถือในกายในใจยังหลงอยู่อีกนะขนาดเห็นแล้วตัวเราไม่มีนะอย่างตอนนี้เบอร์หนึ่งเริ่มเห็นแล้วใช่ไหม กาก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราเกิดดับไปเรื่อยๆ เ, เห็นอย่งนี้แล้วแต่ยังไม่ยอมรับดูไปเรื่อยๆจนยอมรับอ่ามีไหมมีไหมหนึ่งอ่ะแม้หนึ่งก็ยกเลยอ่าขอนิดนึงครับรู้สึกว่าใจมันหายเพียแล้วครับออดีแล้วก็อยากให้หลวงพ่อช่วยดูว่ามีอะไรขาดเกินหรือเปล่าตอนเนี้เกินเลย <laughs> ตอนที่ <laughs> ตั้งท่าให้หลวงพ่อดูตะเกียบมันดีแล้วออกครับนะเปนพอดีแอ้าเบอร์ยี่สิบหก เดี๋ยวนะคนนนเดี๋ยวเข้าคิวไว้ครับคือจะถามหลวงพ่อว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยครับคือบางวันเราก็รู้สภาวะได้ดีบางวันเราก็เห็นว่าตัวเรานี่มันชั่วร้ายมากเลยบางวันเราก็ไม่รู้อะไรเลยครับเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าครับปกตินะเพราะว่าการที่เราจะมีสติหรือไม่มีสติเราก็สั่งไม่ได้นี่ก็แสดงอ น, นัตตาให้ดูเหมือนกันแล้วถ้าเกิดวันที่เราเหมือนไม่รู้อะไรเลยเหมือนกับตื่นเช้ามามืนเหมือนกับว่า เราไม่เคยทํามาก่อนเราแบบทําไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยครับคือเราต้องพูดโท<ก>ลูกเดียวไม่แก่ลูกเดียวเลยนะพูดโธพุดโ ท, โทไปเรื่อยๆนะหรือสวดมนต์ไปเรื่อยๆนะทํากรรมฐานไปปกตินั่นแหละทำอะไรไม่ถูกแล้วนะทําสมถะไว้สมถะเป็นประการด่านสุดท้ายของนักปฏิบัตินะไม่ใช่กางเกงในนนะ <c oughs> ถึงแนวตั้งรับอันสุดท้ายเลยน ะ, ะข้างหลังส่งไปข้างหลัง ได้อีกคนเดียวนะคนเดียวข้อนี้หนูลายที่จะที่จะพูดนะค่ะแต่ว่าตายเป็นตายเออต้องอย่างนั้นเมื่อไอการที่ว่ารักตัวเองนะครับเมื่อกี้หนูได้ยินที่คนข้างหน้าพูดเมื่อวานเนี่ยหนูนั่งอยู่ในนี้หนูมีความรู้สึกว่าหนูสบายแล้วก็ปรงและทีนี้พอหนูถามหลวงพ่อหนูถานูบอกว่าหนูจะไม่ถามเพราะหนูฟุ้งและทีนี้หลวงพ่อก็เลยบอกว่าอ้าว ไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อพูดว่าอะไรนะคะแต่หลวงพ่อบอกว่าถ้าถามหลวงพ่อเดี๋ยวจะหาว่าถามหลวงพ่อแล้วฟุ้งและทีนี้ในความรู้สึกของหนูเนี่ยนะคะหนูมีความรู้สึกว่าหนูเคืองเครื่องเคืงที่หลวงพ่อบอกว่าถามหลวงพ่อแล้วฟุ้งว่าว่าหนูฟุ้งทีนี้ในความรู้สึกของหนูเนี่ยหนูก็คิดว่าตัวเองก็ฟุ้งยอมรับว่าตัวเองฟุ้งแต่อีกใจหนึ่งในความรู้สึกว่ามันเข้าข้างตัวเองนะคะว่าทําไมมาว่าฟุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าหนู หนูก็รู้ว่าหนูฟุ้งอะค่ะก็เลยอยากเล่าให้หลวงพ่อฟังว่ามันมีความรู้สึกเข้าข้างตัวเองว่าตัวเองว่าคนอื่นว่าตัวเองฟุ้งทั้งที่ตัวเองก็รู้เนรู้แต่ไม่ยอมนะค่ะมันมันก็ต่อสู้กันนะค่ะหลวงพ่อดีดีดีละมาเล่าให้พักพวกฟังเนี่ยใจเรานะมันรักตัวเองที่สุดเลยบางทีก็รักหน้านะ คบางคนอยากเรียนกรรมฐานแต่รักหน้าที่สุดเลยนะามาด้วยความกลุ้มใจกลัวหลวงพ่อชี้แล้วบอกว่าไม่ดี <laughs> แต่ว่าใจหนึ่งก็รักดีนะอยากเรียนเออยากเรียนไปกลัวไปสนุกค่ ะ, คะไม่เบือ่อเออไม่เบือ่อก็ดีนะ้ว <laughs> นะหลวงพ่อศึกษาธรรมมาหลวงพ่อไม่เห็นหน้าเบื่อเลยสนุกอะ่นะอเรเราเรียนรู้โหกิเลสเรานะมันพลิกแปลงมารยายเยอะ ก็ดูมีความรู้สึกทั้งวันนะคะ่ะธรรมะจะอยู่ในใจก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองปฏิบัติถูกไหมแต่บางบางทีมีความรู้สึกว่ามันโปง่งบางวันก็หนักๆค่ะ ก, ก็ดูไปเรื่อยๆะคะ่ะดีแล้วแต่ละวันไม่เหมือนกันนะวันเดียวกันเช้าสายบ่ายเย็นก็ไม่เหมือนกันนะแต่ละขณะก็ไม่เหมือนกันขณะที่เมาเห็นหูได้ยินจมูกได้กน